เรื่องภิกษุเป็นไข้210สมัยนั้นพวกชาวบ้านนิมนต์พวกภิกษุเป็นไข้ชันพัะตาหารภิกษุเหล่านั้นมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการฉันคณะโภชนะจึงไม่รับนิมนต์ภิกษุทั้งหลายนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงอนุญาตให้ชันคณะโภชนะได้ในสมัยที่เป็นไข้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงสแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเป็นไข่ฉันคณะโภชนะได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นสแสดงดังนี้